อุปัานะสาลาอนุชานนะว่าด้วยทรงอนุญาตหอฉันเรื่องภิกษุฉันร่วมกันในกลางแจ้ง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 <şu 1> อนุญาตบันไดสามชนิดคือบันไดอิฐบันไดศิลาบันไดไม้เมื่อพิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัตดตกลงมาพิกษุททั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ